เจยานุโลมปัจจนียะเหตุทุกรไนส้ย369ิณอธิปติปัจใจกับเหตุปัจใจมีสามวาระนปุเรชาตะปัจใจและถึงมีสามวาระณปัจฉาชาตะปัจใจมีสามวาระนอเสวนปัจใจมีสามวาระนกรรมปัจใจมีสามวาระนวิปากปัใจมีสามวาระณวิปยุตต์ปัจใจมีสามวาระ ติกะในณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมีสามวาระณปเรชาตะปัจจใจละถึงมีสามวาระณปัจชชาตะปัจจัยมีสามวาระณอเสวนปัจจัยมีสามวาระณกรมมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระจะตุกะใน นปุเรชาตปัจจัยกระเพรุปัจจัยอารมณปัจจัยและอธิปติปัจจัยมีสามวาระณปัจชาชาตปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณอาศัยวนปัจจัยกับมีสามวาระณกรรมะปัจจัยกับมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระเอกาทศกะใน นภัชชาตาปัจจัยกับเภตุปัจจัยอารมณปัจจัยอธิปติปัจจัยอนันตระปัจจัยสมณัตระปัจจัยสหชาตาปัจจัยัญญมัญญปัจจ <elim> ัยน <uch> ิสยปัจจ <uch> ัยอุปนิสยปัจจัยและปุเรชาตาปัจจัยมีสามวาระนอเสวนปัจจัยกับละถึงมีสามวาระนกกรมปัจจัยกับมีสามวาระณวิปากปปัจจัยกับมีสามวาระ ทวาทศกะณฐ์ในสาเสวนะณปัจฉาชาตะปัจใจกระเพตุปัจจัยอารมณปัจใจและถึงปุเรชาตะปัจจัยและอาเสวนปัจจัยมี <cri> สามวาระนกรมมปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณวิปากะปัจจัยกับมีสามวาระเตวีสกะณฐ์ในสาเสวนะณปัจฉาชาตะปัจจัยกเพตุปัจจัยอารมณปัจจัย ละถึงปุเรชาตะปัจจัยอาเสวนาปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยอวิคชาตปัจจัยมีสามวาระนวิปากะปัจจัยกับละถึงมีสามวาระเตรสกกะในสวิปากะนปัจฉาชาตะปัจจัยกระเพรตุปัจจัยอารมณปัจจัยละถึงปุเรชาตะปัจจัยกรรมปัจจัยและวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาอเสวนณะปัจใจกับละถึงมีหนึ่งวาระเตวีสกะในสวิปากะนาปชาชาตะปัจใจกระเภตุปัจใจอารมณะปัจใจละถึงปุเรชาตะปัจใจรัมมะปัจใจวิปากะปัจใจอาหาระปัจใจอวิคตะปัจใจมีหนึ่งวาระนาอเสวนณะปัจใจกับละถึงมีหนึ่งวาระอารมณะทุกขใน สามเจ็สนเหตุปัจจัยกับอารมณปัจจัยมีสองวาระนอธิปติปัจจัยละถึงมีสามวาระน่ปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวา ร, ระนอาศวณหปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระน่ชานะปัจจัยมีสามวาระ นัมค้าปัจจัยมีสามวาระนว um. ิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระเต enfin ิดกระในนอธิปติปัจจัยกับอารมณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออธิปติทุกกะในส้อยเจ็สเอดนปุเรชาตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระนปัจชาชาตปัจจัยละถึงมีสามวาระนอาศวะนปัจจัยมีสามวาระ นกรรมะปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระติกกะในเป็นต้นและถึงกับอธิปติปัจจัยและเหตุปัจจัย่ออนันตระปัจจัยเป็นต้นสา2้ยเจ็สองและถึงกับอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยสหชาตะปัจจัยอัญญมัญญปัจจัย นิจยปัจจัยและอุปานิจยปัจจัยพึงขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่มีอารมณปัจจัยเป็นมูลปุเรชาตะทุกขในส้ยเจ็ดสามเหตุปัจจัยกับปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีสามวาระณปัจชาชาตะปัจจัยมีสามวาระนอเสวณะปัจจัยมีสามวาระณกรรมปัจจัยมีสามวาระ นวิปากปัจจัยม <el> <el> <el> ีสามวาระณาชานาปัจจัยมีหนึ่งวาระนามะขาปัจจัยมีหนึ่งวาระเตะกะในนาอธิปติปัจจัยกะปูเรชาตะปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยละถึงมีสามวาระณาอาศิวนปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีสามวาระย่อ อาศสวณัตุกะนในสามร้อยเจ็ดสิบสี่นาเหตุตุปัจจัยกับอาศวณปัจจัยมีสองวาระนาอธิปติปัจจัยละถึงมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาปัจชชาตปัจัยมีสามวาระนากรรมปัจจัยมีสามวาระนาวิปากปัจจัยมีสามวาระนามฆาปัจจัยมีสามวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระ ติกะในณอธิปติปัจจัยกับอาเสวนาปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยละถึงมีสามวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระณกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระย่อกรรมทุกกไในสา้สิห้า นัเหตุปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสองวาระนอธิปติปัจจัยละถึงมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนปัจชาชาตปัจจัยมีสามวาระนอาศวณปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระนชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมข้าปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระ เติกกะไนนาะอธิปติปัจจัยกับกรรมะปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อวิปากะทุ ก, กะไนสามร้อยเจ็ดสิบหกนเะหตุปัจจัยกับวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระณานะปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาะปัจชาชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาะอาศวนปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณชาณปัจจัยมีหนึ ara, น่งวาระะมัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระติ ก, กะไนนณอธิปติปัจจัยกับวิปากะปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่ออาหาร ะ, กกะ 77, ทุกระไนสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดณเหตุปัจจัยกับอาหาระปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยและถึงมีสามวาระ นปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนปชาชาตปัจจัยมีสามวาระนอาศวณัปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระนชานะปจจัยมีหนึ่งวาระนมคะปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปจจัยมีสามวาระเตะกะใน ณอธิปติป bon ัจจัยกับอาหารปัจปัจและเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออินทริยทุกนายสามร้ยเจ็สเหตุปัจจัยกับอินทริยปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีสามวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระณอาศัยวนาปัจจัยมีสามวาระ นกัรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระนาชาณะปัจจัยมีหนึ่งวาระนักมฆาปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระเตะ ก, กะในนักอธิปติปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อชาณะทุกกในสร้อยเจ็ดสิปก้า นเหตุปัจจัยกับชาณะปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีสามวาระนัปเรชาตะปัจจัยมีสามวาระปัจชาชาตะปัจจัยมีสามวาระณอเศวณปัจจัยมีสามวาระนกรรมะปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีสามวาระนมข้าปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระ เตึกกนนนะไนณอธิปติปัจจัยกับชานะปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อมัคคะทุกะไนสา้อยแปดสิณเหตุปัปจจัยกับมัคคับปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีสามวาระณปุเรช า, าตะปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาร ะ, ะอาณอเสวนาปัจจัยมีสามวาระ ณกรรมะปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจ well. ัยมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระติักะในยณอธิปติปัจใจกับมัคคะปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อสัมปยุตตะทุกรณัยสามรปดสเอดณเหตุปัจจัยกับสัมปยุตตะปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีสามวาระ นาปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระ น, นาอาศวณัปัจจัยมีสามวาระนากรมมะปัจจัยมีสามวาระนาวิปากปัจจัยมีสามวาระนาชาณะปัจจัยมีหนึ่งวาระนามัคาปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระติกกะใน ณอธิปฏิปัจจัยกับสัมปยุตตะปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อวิปยุตตทุกในสาน้อยแปดสิบสองณเหตุป YU ัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระานอาศวนปัจจัยมีสามวาระ นกกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระนัชานปัจจัยมีหนึ่งวาระนมฆมขะปัจจัยมีหนึ่งวาระตดกกะในนอธิปติปัจจัยกับวิปยุตตะปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีสามวาระนัปุเรชาตะปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระนักอาศวนปัจจัยมีสามวาระ นากกรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระจะตุกัยนัอธิปติปัจจัยกับวิปยุตตะปัจจัยเหตุถูปัจจัยและอารมณปัจจัยมีสามวาระนัปุเรชาตะปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยกับมีสามวาระนาอาศวณปัจจัยกับมีสามวาระ นกรรมปัจจัยกับมีสามวาระนวิปากะปัจจัยกับมีสามวาระทวาทศกะในนปัจฉาชาติปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยเหตุปัจจัยอารมณปัจจัยละถึงปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระนอเสวนปัจจัยกับละถึงมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับมีสามวาระนวิปากะปัจจัยกับ มีสามวาระเตวีสกกะในสาเสวนะณปัจฉาชาติปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยเฮตุปัจจัยละถึงปุเรชาติปัจจัยอาเสวนาปัจจัยกรรมปัจจัยอาหาราปัจจัยอวิคตะปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับละถึงมีสามวาระเตวีสกกะในสวิปากะ นปัตชาตตปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยเหตุปัจจัยละถึงปุเรชาตตปัจจัยปรมปัจจัยวิปากปัจจัยอาหารปัจจัยอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระหน้าอาศัวะณปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระทุกกนในมีอถิปัจจัยเป็นต้นเป็นอธิสามร้อยแปดสิบสามละถึง กับอธิปัจจัยนธัธปัจจัยวิคตะปัจจัยและอวิคตะปัจจัยพึงขยายให้พิดารเหมือนวาระที่มีอรมณะปัจจัยเป็นมูลอนุโลมปั จ, จนิยะจบ ปัจยะปัจญิยานุลมนเหตุทุกขในสามร้อยปดสิบสรามะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตระปัจจัยละถึงมีสองวาระสมนันตระปัจจัยมีสองวาระสหชาตะปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีสองวาระอุปานิสยปัจจัยมีสองวาระ ปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระอสุวรรณปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาราปัจจัยมีสองวาระอินทริยปัจจัยขับนเหตุปัจจัยมีสองวาระชานะปัจจัยละถึงมีสองวาระมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตาปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตาปัจจัยมีสองวาระ อธิปัจจัยมีสองวารนะนัตถิปัจจัยมีสองวาระวิคตตปัจจัยมีสองวาระอวิคตะปัจจัยมีสองวาระติกไ น, นอารมณปัจจัยกับน่เหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัยมีสองวาระอวิคตะปัจจัยละถึงมีสองวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระจะตกไน อารามณปัจจัยคำนั่นเหตุปัจจัยณอธิปติปัจจัยและณัปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระอนาตระปัจจัยกับละถึงมีสองวาระสมนันตระปัจจัยกับมีสองวาระสหชาตปัจจัยกับมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยกับมีสองวาระนิสยปัจจัยกับมีสองวาระอุปนิสยปัจจัยกับมีสองวาระ อาเจวะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับมีสองวาระวิปากปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยกับมีสองวาระอินทริยปัจจัยกับมีสองวาระชานะปัจจัยกับมีสองวาระมัคคปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ อธิปัจจัยกับมีสองวาระนัตถิปัจจัยกับมีสองวาระวิคตตปัจจัยกับมีสองวาระอวิคตตปัจจัยกับมีสองวาระจัตตะในอรามะนาปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอธิปติปัจจัยณัุเรชาตปัจจัยนัจฉาชาตปัจจัยณอาศวนปัจจัยและนักรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระ อนันตระปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสหชาติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอัญญามัญญะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอุปนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ สามปัจจุตตปัจจัยกับม well. ีหนึ่งวาระอธิปัจจ nee> ัยกับมีหนึ่งวาระนาิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระทัศกะในอารมนาปัจจัยกับนเหตุปัจจัยนาอธิปติปัจจัยนาปุเรชาตปัจจัยนาปัจฉาชาตะปัจจัย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 อาหารรปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินทริย์ปัจจัยกับมีหนึ่งวาระชาณปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสมบยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิคตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิคตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณวิปากับปัจจัยนมคะปัจจัยและณวิบยุตตะปัจจัย เหมือนกับนกรรมปัจจัยณอธิปติทุกกะในสามร้อยแปดสิบห้าเหตุปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยละถึงมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระเบิกกะในอารมณะปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตะปัจจัยกับละถึงมีสองวาระ พึงทำวาระที่มีณอธิปฏิปัจจัยเป็นโมลให้เหมือนกับวาระที่มีนเหตุปัจจัยเป็นมูลโดยยึดนเหตุปัจจัยเป็นหลักณนะปุเรชาตะทุกไนัย3ปดเหตุปัจจัยกับณปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจใจละถึงมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระ วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระพึงขยายให้พิจารณทุกบทในบทที่ไม่ได้เขียนไว้มีสามวาระเหล่านี้ในวาระที่มีนภุเรชาตาปัจจัยเป็นโมลผู้รู้พึงยึดนเหตุปัจจัยเป็นหลักและเพิ่มหนึ่งวาระในอาเสวนาปัจจัยและมัคคะปัจจัยส่วนที่เหลือเหมือนกับนเหตุปัจจัยพึงทำนัปปัชชาตาปัจจัยให้บริบูรณ์เหมือนกับนอธิปติปัจจัย นกกรรมะทุกขในสามร้อยแปดสิบเจ็ดเหตุปัจจัยกับนกกรรมะปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยละถึงมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยมีสามวาระสมนันตรปัจจัยมีสามวาระสหชาตะปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระ อุปนิสยปัจจัยสำนักรรมปัจจัยมีสามวาระปุเรชาติปัจจัยละถึงมีสามวาระอาเสวณปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรคขะปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตะปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระ อธิปัจจัยมีสามวาระนัถิปัจจัยมีสามวาระวิคตาปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระติ็กกะในอารามะนปัจจัยกับนักกามปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระ อัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยาปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิสยาปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาสสวะนปัจจัยมีหนึ่งวาระอหาราปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระสัำยุตตปัจจัยกับนาคามปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ วิบยุตตปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระอธิปัจัจมีหนึ่งวาระนัธิปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระปัญจกระในอารมณปัจจัยกับนกรรมปัจจัยนัเหตุปัจใจนัอธิปฏิปัจจัยและนัปุเรชาตตปัจจัยมีหนึ่งวาระ อนันตรปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระสมนันตรปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสหชาตตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอัญญามัญญปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนิจญาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระปุปานิจญาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินทริยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ สามปยุตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระพึงขยายบทที่เหลือให้พิจาราโดยอุบายนี้ยอ่อนวิปากะทู ก, กะในสยแปดสิบแปเฮตุปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสามวาระยอ่อ พึงเพิ่มให้บริบ outfit, and and ูรณ์อวิคตะปัจจัยละถึงมีสามวาระปั้นจกะะในอรามะนปัจจัยกับนาวิปากะปัจจัยนาเหตุปัจใจนาอธิปติปัจจัยและนาปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระอนันตระปัจจัยกับละถึงมีสองวาระสมนันตระปัจจัยกับมีสองวาระสหชาตะปัจจัยกับมีสองวาระ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 ัมปยุตตปัจจัยกับมีสองวาระอธิปัจจัยกับมีสองวาระนัตถิปัจจัยกับมีสองวาระวิคตาปัจจัยกับมีสองวาระอวิคตาปัจจัยกับมีสองวาระวาระที่มีนวิปากับปัจจัยเป็นมูลมีข้อแตกต่างกันเท่านี้ส่วนที่เหลือเหมือนกับในยะที่มีนเหตุปัจจัยเป็นโมลณชาณทุ ก, กไนัย 389. อยแปดสิารมะนปัจใจกับนาชาณะปัจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจใจละถึงมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจัยมีหนึ่งวาระสหชาตะปัจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญาปัจัยมีหนึ่งวาระนิสยาปัจัยมีหนึ่งวาระอนุปนิสยาปัจใจมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจใจมีหนึ่งวาระกรรมะปัจัยมีหนึ่งวาระ วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระนัธิปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสตกะใน อารามณปัจจ uhm, uhm, uhm, yeah, uh, uh, uh, ัยกับณาชานาปัจจัยณเหตุปัจจัยณอธิปติปัจจัยณปัจชาชาตะปัจจัยณอาสวนปัจจัยและนามคะปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสหชาตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระปัญญมัญญปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ อุปานิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระปูเรชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินทริยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระซัมปยุตตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปยุตตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนัธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ วิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนัมมคทุกไนสามร้อยเก้าสิบอารมณะปัจจัยกับนัมคะปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิจยะปัจัยมีหนึ่งวาระ อุปาณิชยปาจัยมีหนึ่งวาระภูเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศตเวนะปาจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากาปาจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยกับเนมัคขปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระสำปยุตตปาจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตาปาจัยมีหนึ่งวาระ อธิปัจจัยมีหนึ่งวาระนัธิปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระปั้นจกะในอารมะณะปัจจัยกับนามัครปัจจัยนัเหตุปัจจัยนัอธิปติปัจจัยและนะปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระสมานันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ สหชาติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ player, อัญญมัญญปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนิจญาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอุปาณิจญาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระกรรมะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินทริยะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ สามปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณฐิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิขตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระชักไนเป็นต้นละถึงกับนมัคคะปัจจัยและณเหตุปัจจัยย่อณวิปยุตตะทุกไนัย391 เหตุปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระอารามะณปัจจัยละถึงมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยมีสามวาระสมนันตระปัจจัยมีสามวาระสหชาตาปัจจัยมีสามวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนิจญาปัจจัยมีสามวาระอุปานิจญาปัจจัยมีสามวาระ อาเสวนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาราปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตะปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระอัติปัจจัยละถึงมีสามวาระนัติปัจจัยมีสามวาระ วิคตาปัจจัยมีสามวาระอวิคตาปัจจัยมีสามวาระตึกะในอะระมะนะปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยละถึงมีสองวาระสมนันตรปัจจัยมีสองวาระสหชาตาปัจจัยมีสองวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีสองวาระ ปุญิสยปัจจัยมีสองวาระอเศวณปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีสองวาระอหารปัจจัยมีสองวาระอินทริยปัจจัยมีสองวาระชานะปัจจัยมีสองวาระมัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตะปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยมีสองวาระนัธิปัจจัยมีสองวาระวิคตะปัจจัยมีสองวาระ อวิคตะปัจจัยมีสองวาระณวกระในอารมณปัจจัยกับณวิปยุตตะปัจจัยณเหตุปัจจัยณอธิปติปัจจัยณปุเรชาตะปัจจัยณปัจฉาชาตะปัจจัยแม้วาระที่มีณอาศิวะณปัจจัยเป็นมูลก็เหมือนกับวาระที่มีณเหตุปัจจัยเป็นมูลณกรรมปัจจัยณวิปากะปัจจัยและณมขะปัจจัยมูลทั้งสามนี้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 ฉลาดติกะหสัมบัติวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควาระเหตุปัจใจสา้ยเก้าสิบสองสภาวธรรมที่เป็นกุศลสัมยุติกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามสัมบัติกับขันหนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่งสมบัติกับขันสามเกิดขึ้นขันสองสัมบัติกับขันสองเกิดขึ้น สามสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสัมปยุตธ์กับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันสามสัมปยุทธ์กับขันหนึ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่งสัมปยุทธ์กับขันสามเกิดขึ้นขันสองสัมปะยุตธ์กับขันสองเกิดขึ้น3ามร้สภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤตสัมปยุตธ์กับสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ ขันสามสัมปะคุตกับขันหนึ่งที่เป็นอัพยกตะวิบากและที่เป็นอัพยกตากริยาเกิดขึ้นขันหนึ่งสัมปะคุตกับขันสามเกิดขึ้นขันสองสัมปะุยกับขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามสัมปะยุตกับขันหนึ่งที่เป็นอัพยกตะวิบากเกิดขึ้นขันหนึ่งสัมปะยุตกับขันสามเกิดขึ้นขันสองสัมปะยุตกับขันสองเกิดขึ้นย่อหนึ่ง ปัจญานุโลมสองสังคยาวาระสุทไนสามเก้าสิบหเหตุปัจจัยมีสามวาระอรามะนะปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอานันตระปัจจัยมีสามวาระสมนันตระปัจจัยมีสามวาระสหชาตาปัจจัยมีสามวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระ ปุปนิสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอายสวะนปจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระชานะปจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสาวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตาปจัยมีสามวาระ อธิปั จ, จัยมีสามวาระนัตถิปั จ, จัยมีสามวาระวิคตะปั จ, จัยมีสามวาระอวิคตะปั จ, จัยมีสามวาระอนุโลมจบสองปัจยะปัจนียะหนึ่งวิพังควาระนเหตุปัจใจัาม้ยเก้สกาสหสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสัมพยุกต์กับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนัเหตุปัจใจ ได้แก่โมหะที่สหรฆด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรฆด้วยอุทจฉาสัมปยุกข์กับขันที่สหรฆด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรฆด้วยอุทจฉาเกิดขึ้น397สภาวธรรมที่เป็นอภยญากฤตสัมปยุกข์กับสภาวธรรมที่เป็นอภยญากฤิเกิดขึ้นเพราะในเหตุตุปัจได้แก่ขันสามสัมปยุกข์กับขันหนึ่งที่เป็นอน เ, นเหตุตุกะซึ่งเป็นอภยญากะตะวิบาก และอพยากตะกริยาเกิดขึ้นขันหนึ่งสัมปยุกกับขันสามเกิดขึ้นขันสองสัมปยุกกับขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะขันสามสัมปยุกกับขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตะวิบากเกิดขึ้นขันหนึ่งสัมปยุกกับขันสามเกิดขึ้นขันสองสัมปยุกกับขันสองเกิดขึ้นย่อสองปัจยะปัจนิยะสองสังขยาวาระ ทุทนาสายเก้าณเหตุปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระณเอเสวนาปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีสามวาระณชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระ นวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระย่อปัจจนี่ยจบสปัจจญานุโลมปัจจนี่ยเฮตุทุกขไนสามรยเก้าสิ้านอธิปติปัจจัยกับเฮตุปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตาปัจจใจละถึงมีสามวาระนปัจชาชาตปัจจัยมีสามวาระนอาศัวนปัจจัยมีสามวาระ Lay, ah ay, ok. bon นกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระย่ออนุโลมปัจจนียะจบสปัจจยปัจจินยานุโลมนเหตุทุกขในสี่ร้อยอรมณปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตระปัจจัยละถึงมีสองวาระสามัันตระปัจจัยมีสองวาระ สหชาตปัจจัยมีสองวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีสองวาระอุปนิสยปัจจัยมีสองวาระปุเรชาติปัจจัยมีสองวาระหาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสองวาระอินทริยปัจจัยมีสองวาระชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระ มัคราปัจจัยมีหนึ niin, ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยมีสองวาระนัตถิปัจจัยมีสองวาระวิคตะปัจจัยมีสองวาระอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อปัจญิยานุโลมจบสัมปยุตตวาระจบสังสัทถวาระได้แก่สัมปยุตตะวาระ สังปยุตตะวาระได้แก่สังสัทธวาระ